ทังฟังกันตามสบายฮะตอนนี้ก็ปีใหม่แล้ววันนี้แตมาก็จะพูดเรื่องมงคลชีวิตฉบับยอ่อก็คือคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีสู่สถานที่ดีเพราะนี่คือเ ป, เป็นมงคลชีวิตถ้าใครมี5ดีเนี่ยชีวิตเราก็จะมีความสุขจะมีเรื่องเรื่องเดือดร้อนน้อยคิดดีก็คือคิดที่ออกจากการมาคุณ แล้วก็ไม่พยาบาทตแล้วก็คิดที่จะไม่เบียดเป็นคนอื่นอันนี้คือการคิดดีการออกจากการประคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีความสุขการประคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลมต่างๆที่เรายึดติดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยชีวิตหนักคือต้องแบกคือถ้าคนวางใจไม่เป็นเนี่ยเรามีสมบัติมากเราก็ต้องทุกมากเพราะานี้ของกลนะของกู อย่างใครมีสามีมากมีภรรยามากเราก็ต้องต้องยึดอนะ่ะธรรมดาเราเองก็มีขันห้าแล้วเอาขันคนอื่นมาก็เป็นสมมุติถ้ามีมี ม, มีมีภรรยาหรือมีสามีเพิ่มเนี่ยก็จะเป็นสิบขันถ้ามีภรรยาสองคนก็เป็นสิบห้าขันแล้วชีวิตก็จะหนักขึ้นหรือถ้ามีของมากจิตเราก็ต้อยึดต้องเกาะทําทให้เราเนี่ยไม่อิสระต้องระวัง ระแวแงการสูญเสียต้องเฝ้ารักษาเป็นภาระนั้นพรธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยออกจากการมคุณนทั้งห้าทำชีวิตให้เบาสบายไม่มีภาระมากอันนี้เป็นมงคลคือการออกจากกรรมมคคุนแล้วการที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์มากก็คือการพยาบาทการปองร้ายอันนี้เหมือนไฟนรกเผา อย่ามาคุบอกว่าสิปีล้างแค้นยังไม่สายอย่างหลังจีนเนี่ยใครรับอระานนี่ทุกนะสู้การให้อาภัยไม่ได้การให้อาภัยมีความสุขกว่าอย่างอันนี้ทดลองได้เลยเราเกลียดใครและคนเนี่ยเราไม่พูดกับเขาเนี่ยกับเราจีบมึงเขาเนี่ยเราเลือกจีบมึงเขาจึงมีความสุขกว่าหรือทักเขาหนึ่งคำนีนก่กับกะไม่พูดกันเลยออันนี้มีความสุขกันทีเลยถ้าลอ ง, ลองทําดูนะการไม่พยาบามการให้อาภัยเนี่ยจะมีความสุข แล้วการไม่เบียดเบียนเบียดเบียนในที่นี้หมายถึงเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนตัวเองก็อาจจะกินเหล้าเมายาทําให้สุขภาพทรุดโทรมเบียดเบียนคนอื่นก็หมายถึงว่าคิดร้ายทําร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ดีเป็นการเป็นเวทดอกการทาให้ชีวิตเราไม่มีความสุขทั้งการคิดดีก็ต้องออกจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็การพูดดี พูดเดียที่ดีคือไม่โกหกไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพอเจอร์พราคนที่พูดโกหกจะเป็นคนที่ไม่มีเครดิตจะไม่มีใครเชื่อถือถ้าเราโกหกหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็เสียเครดิตแล้วรับกรรมทันทีอย่างมีนิทานเรื่องหนึ่งคือเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเป็นนิทานของอีสบมีเด็กชายอยู่คนหนึ่ง นำฝูงแกะไปเลี้ยงวันนึงนึกคืบใจขึ้นมาคิดจะโกหกคนในหมู่บ้านก็เลยวิ่งหน้าตื่นไปแล้วบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะชาวบ้านก็ตกใจถือไม้ถืออะไรรีบตามมาช่วยคิดว่าแกะฝูงหมาป่ามาจะมากินแกงจริง แต่พอมาถึงก็เด็กคนนี้ก็นั่งเขายืนหัวเล้อปล่อยปล่อยหัวเลาอใหญ่เลยที่สามารถโกหกพวกผู้ใหญ่ไปช่วยได้พวกชาวบ้านก็มโมโหมากแล้วก็กลับไปต่อมาไม่นานเด็กคนนี้ก็เอาแกะมาเลี้ยงอีกแต่เพอทีหมาป่ามาจริงๆหมาป่ามาฝูงใหญ่ด้วยเด็กคนนี้ก็วิ่งหน้าตื่นเข้าไปในหมู่บ้านตะโกนบอก ช, ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะ ครั้งนี้ชาวบ้านไม่ยอมไปช่วยเลยเพราะครั้งก่อนโกหกเอาไว้อันนี้เ็ า, เรารับกรรมจากการกระทาตัวเองคือโกหกการพูดคำหยาบก็เหมือนกันคนที่ชอบพูดคำหยาบบ่อยๆเนี่ยออกจา ก, กจิตใจที่ไม่ดี พ, พูดคำหยาบนี่ก็คือออกจากการเป็นการส่อสกุลคือคำพูดแสลงหูต่งตางๆเนี่ย ซึ่งก็ไม่ควรมีครผู้ใจเเพอเเพออ่อนหวานมากกว่าแล้วก็ผู้สอดเสียดผู้สอดเสียดนี่อย่างกอสุนทรผู้ท่านแต่งไว้อันอ้อยตาหวานลิ้นไม่สิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นบื่นแสนไม่แคลนคายเจ็บเจียนตายเพราะเน็บให้เจ็บใจอย่างคำหวานเนี่ยปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมละ แต่คำสอดเสียดต่างๆหรือคำเน็บเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายปียังไม่ลืมเลยเพราะคนเราโดยธรรมชาติมักจะจำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมักจะไม่จาอย่างพ่อแม่ดีกับลูกพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งบางทีลูกจะชาชินกับความดีของพ่อแม่หรือคนรักแต่ถ้าวันใด พ่อแม่ขัดใจลูกด่าลูกหรือทำให้ลูกเนี่ยไม่แดง ใ, ใจเนี่ยลูกจะจำไม่ลืมเลยแต่ทีพ่อแม่ท้างความดีให้ลูกเนี่ยลูกมักจะลืมเพราะว่าโดยธรรมชาติจิตเนี่ยมันจะคิดทางลบท้าไม่ปฏิบัติธรรมหรือไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคนรักก็เหมือนกันดีกันตลอดชีวิตจนรักความดีกันไม่ ไ, มได้เลยแต่ว่าวันไหนที่ขัดใจกันค้างสงค้างจะเลิกกันก็ได้ เราจะลืมความดีที่เคยมีต่อกันเพราะฉะนั้นเราอยากพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อที่เป็นการแสดงของคนพูดไม่มีสตินึกจะพูดอะไรก็พูดไร้สาระอันนี้ก็มีบ่อยทุกสังคมบางทีพูดไปนึกจะพูดอะไรก็พูดพูดเพ้อเจ้อไม่รู้กาเทสะก็ควรพูดไม่ควรพูดบางครั้งก็ควรเงียบบางครั้งก็ควรพูด พอพูดไม่ถูกแล้วกอาเทศะก็คือการพูดเพิรเจอร์พูดข้าเพื่อไปก็ทำให้คนไม่เชื่อถือได้งนั้นพูดดีก็คือต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพิรเจอร์ตอนนี้ก็มาถึงทำดีการทำดีในพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สิบอย่างคือบุญกิยาวัตถุสิบทำดีข้อหนึ่งก็คือ ก า, การให้ทานการให้ทานก็คือทำบุญตักบาตรช่วยเหลือคนอื่นความดีข้อนี้คือการลดความตรนตีถี่เหนียวทำให้เราลดความเห็นแก่ตัวได้ทำให้เราเนี่ยใจใหญ่สามารถช่วยคืออย่างง่ายๆความดีข้อนี้ควรทำความดีข้อสอ2ก็คือถือศีลศีลหศีล8ศีล10ศีลสองข้อการถือศีลก็คือการชำระจิตใจ เพื่อลักกิเลดอย่างอย่างกลางซึ่งอันนี้ควรมีอย่างสินสินห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องรักษาเพราะสินข้อแรกเนี่ยคือปาณาการฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยถ้าเราถือได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันชีวิตสินข้อที่สองข้อทินาหรือลักทรัพย์ถ้าเราถือได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันของทรัพย์สิน สินค้อที่สา่อการเมอถ้าเราถือได้ก็เป็นหลักประกันของครอบครัวทำให้ครอบครัวไม่แตกแยกสิลค้อที่สีข่ 4, ข้อมูสาหรือโกหกถ้าเราถือได้เนี่ยก็เป็นหลักประกันสังคมส่วนสินค้อที่ห้าสุราหรือสิ่งเสพติดถ้าเราถือได้ก็เป็นหลักประกรนั น, 5, ส, ส, กนกกสุขภาพเพราะทุกวันนี้หมอตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ต้องมารักษาผู้ป่วย พวกติดปูรีพวกติดเหล้าติดยาเสพติ ด, ตดทุกชนิดจนร่างกายสูดโศมถึงเขาต้องมาหาหมอยิ่งถ้าไปโรงพบาลของรัฐบาลเนี่ยต้องใช้งบของประชาชนเสียภาษีมารักษาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะส่วนมากทาร้ายตัวเองทางนั้นไม่มีใครเขาทามหรอกก็อย่างมีคนเคยถามองค์ดลามาว่ารู้สึกแปลกใจอะไรกับมวลมนุษย์ มนุษย์ในโลกนี้องค์ดรามา ก, ก็ตอบว่ารู้สึกแปลกใจที่คนเราเนี่ยยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อจะให้ได้เงินมาและยอมสูญเสียเงินตาเพื่อรักษาฟืนฟ้นฟูสุขภาพและวิตกกังวลกับอนาคตจนไม่มีความลื่นลมอยู่กับปัจจุบัน ผลก็คือเขาก็ไม่ได้อยู่ทั้งอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตประหนึ่งว่าจะไม่อยู่วันตายแต่แล้วเขาก็ตายไปเหมือนกับว่าไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงคำพูดขององค์ดารามะเนี่ยก็กกน่าคิดอยู่แล้วก็เป็นจริงๆด้วยเพราะคนเราเนี่ยบางคนหาเงินห า, หารูปหวาข้ามจนตัวเองป่วยพอป่วยปุ๊บเราก็ต้องไปรักษาร่างกายเสียเงินมากมาย บ็งคนทำงานหนักจนวี่วารักผ่อนเงินที่ได้มาก็ไม่ได้ใช้มีเงินมากมายแต่ว่าก็คือแบงค์ปลอมคือไปแบงค์กงเต็กเอาไปให้คนอื่นใช้อันนี้มีเยอะแยะมีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะอันนี้ขาดคามบ ด, ดีแล้วก็แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีวันตาย อ น, นี่เราจะเห็นมากมายเลยว่าคนเราจะหลงกะสร้างอนาคตเพื่ออยู่มั่นคงแต่ที่จริงอนาคตไม่มีทางมั่นคงเพราะว่าชีวิตของเราไมของไม่เที่ยงเราไม่รู้เลยจะตายเมื่อไหร่สี่กระโดดไปได้มีห้าอย่างคือคือเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ความเจ็บไข้าตายที่ไหนแล้วก็ตายตรงไหน แล้วก็หลังความตายจะไปที่ไหนอันเนี้ยห้าอย่างเนี้ยกำหนดไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ไม่มีหลักประกันด้วยสิ่งที่ทำได้ก็คือทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าบุญกุศลเนี้ยจะช่วยเราได้แล้วก็มาการทําดีข้อที่สามก็คือก็คือการภาวนาภาวนานี้ก็ สำคัญมากเพราะพอนานเนี่ยสามารถไปมรรคผลที่ผ่านได้สามารถออกจากกองทุกข์ได้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเนี่ยเคยกระทําด้วยเพราะส่วนมากคนก็มาแค่การให้ทานรักษาศีลจะจะมาข้อที่สามเน้อ ย, ยากมาข้อที่สามต้องจะต้องเพิ่มต้องมีกําลังใจและเห็นโทษเห็นโทษของว่าต่างสงสารเห็นโทษหลงการวิญญาณตายเกิดหรือว่าชีวิตที่เป็นทุกข์จึงจะ สามารถมาปฏิบัติธรรมได้พระคดีประดัิธรรมเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นความจริงของชีวิตความทุกข์จะลดน้อยลงไม่ตกไปทา่าของวัตถุมากเกินไปแล้วการทำดีข้อที่สี่การพฤชอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้ก็สำคัญคนมีคนมากมายที่เอาตัวไม่รอดมีความรู้ทมหัวเขาจะเป็นด็อกเตอร์จบเป็นยาโทจบเป็นญาตีเป็นคนร่ารวย แต่ถ้าเป็นคนหญิงยะโสโหังเนี่ยเอาตัวไปรอดหมดแหละคนเราควรประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะซึ่งคนที่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเอาตัวรอดอย่างตอนเช้าถ้าไวินเทบาทเนี่ยพระจะให้พรเนี่ยจัดตาโลธรมมาจัดตาโลธรมาวันติอายุวันโอสุขขังพลังคือการประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยเป็นมงคล คนคนไม่เก่งแต่ผู้ใหญ่ช่วยก็มีชีวิตก้าวตัวรอดแต่บางคนเนี่ยยากโสหังเยอหยิ่งก็าตัวไม่รอดมีแต่คนเกลียดชังได้อันนี้แล้วข้อที่ห้าการทำดีข้อที่ห้าคือการช่วยเหลือขนไกวาการช่วยเหลือขนไกวในที่นี้ก็เป็นการลดความเห็ง น, นตัวอย่างพวกญาติโยมมาวัดเราก็ไปช่วยกันฝาดใบ ไ, ไม้บ้างเก็บขยะมั่งช่วยล้างจานบ้าง ช่วยกันปฏิบัติธรรมบ้างช่วยกันสร้างความดีต่างๆก็จะเป็นล้างห้องน้ำไหวพาสวดมนต์เพราะว่าการช่วยเหลือคนขวายเนี่ยด้วยจิตจิตอาสานะไม่ได้ไม่ได้โดนบังคับเป็นการลดความเห็นัาตัวแล้วก็ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ทำไปบ่อยคนก็รักชีวิตเราก็มีความสุข ถ้าคนไหนหลบหลีกอู้เห็นกระตัวไม่ช่วยไม่ช่วยทำงานก็จะขาดความมั่นใจตัวเองชีวิตก็ไม่มีความสุขคนก็ไม่ค่อยรักการทำดีข้อทีุ่กก็คือการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับให้กับบิดาบานดาหรือบานพบุรุที่ล่วงลับไปแล้วหรือก็อีกนายหนึ่งก็คือการแบ่งแบ่งความดีอาชักชวนกันมาทาความดี ชักชวนคนไปร่วมทำบุญกับเราหรือทำงานร่วมกับเราที่เป็นประโยชน์อันนี้คือการทำความดีอย่างหนึ่งและบุญข้อที่เจ็ก็คือการคือการที่ว่าเห็นคนอื่นทำความดีแล้วก็พอยินดีด้วยคืออนุโมทนาสาธุการทำความดีข้อ น, นี้ทํทง่ายเห็นใครเห็นใครทาความดีเนี่ยใครทำบุญตักบาทใครถวายสังฆทาน แล้วก็สาธุเราก็ได้บุญด้วยเห็นใครปฏิบัติธรรมแล้วก็สาธุเห็นใครเดินจงกรมเห็นใครช่วยงานวัดต่างๆเนี่ยเราสาธุบทอันนี้เราก็ได้บุญได้กุศลด้วยจิตเราก็อ่อนโยนเราก็ทำความดีง่ายแต่ถ้าเห็นใครทาไม่ดีเราต้องวางอุเบกขานะอย่าไปสาธุวางอุเบกขาถ้าเราเราไม่วางอุเบกขาเนี่ย เราก็จะไปติดอารมณ์ไอ้คนนี้ทําไมชั่วจังคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างงี้อันนี้เราทุกข์อีกถ้าเห็นใครทําไม่ดีแล้วก็วางใจกุเบกขาถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางเหมือนนั้นทุกตายเลยแล้วก็การทําดีข้อที่แปดข้อที่แปดก็คือการฟังธรรมอยา่างพวกโยมฟังกันอยู่เนี่ยฟังกันธรรมาพูดเนี่ยขนาดนี้โยมกำลังทำความดีข้อที่แปด ได้ฟังอาจจะอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่พูดมาก่อนหรือบางทีอาจจะได้ยินได้ฟังแล้วแต่ก็ทําให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยแล้วก็ทําให้มีความเห็นตรงจิตกับผู้ฟังก็ผ่องแผ้วข่าวที่ตั้งใจฟังเนี่ยกิเลสจะไม่เข้ามารบ ก, กวนดีวันต่างๆจิตของผู้ฟังทานจะผ่องใสอันนี้เป็นการทําความดีอย่างหนึง่ง แล้วความดีข้อที่เก้าการแสดงธรรมการแสดงธรรมในที่นีไม่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นพระพูดนะโยมก็พูดได้เช่นให้หนังสือธรรมะพูดให้กําลังใจคนอื่นอย่างบางคนสูญเสียของทําเงินหายเราไปพูดได้เขาปลอบใจเขาหรือคนคนกระอกหักที่สั้นค่าตัวตายเนี่ยเราไปพูดได้เขาไม่ค่าตัวตายได้พูดหวานล้อมปลอบใจ ให้กำลังใจเขาหรือให้กำลังใจคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายให้เขามีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปอันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกันไม่ใช่หมายถึงต้องพระแสดงอย่างเดียวแต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดด้วยการฟังก็คือการแสดงธรรมสมมติว่ามีคนเขาอยากระบายเราทนฟังเขาสักครึชั่วโมงหชั่วโงหนึ่งเนี่ยให้เขาระบายไปเราฟังเฉยเฉยไม่ขัดไม่ขัดคอเขาให้เขาได้ปลดปล่อยความทุกข์บางอย่างอันนี้คือการแสดงธรรมเหมือนกัน ส่การแสดงธรรมจึงมีหลายวิธีสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่เราจะทําแบบไหนไม่ใช่มีไม่ใช่จําเป็นต้องต้องต้องเทศอย่างเดียวอย่างพรอาตมานามําสวดมนต์เลือกบทสวดมนต์มาให้พวกโยมฟังเราคือการแสดงธรรมเหมือนกันแล้วการทําทดีข้อที่สิบข้อนี้ก็สําคัญการทําความเห็นให้ถูกต้อง แต่ถ้าเราทำความเห็นผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ลากเอาความไม่ดีข้ออื่นมาหมดเลยความเหที่ถูกต้องก็คือเชื่อว่าผู้รู้เจ้ามีจริงมรรคผลที่พ่านมีจริงบุญบาปมีจริงกรรมเวียนมีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคือถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้เราก็จะไม่เชื่อโลกก็จะเดือดร้อนเพราะคนจะกอบโกยมีความคิดตายแล้วศูนย์ใครมือใครยาวก็คว้าได้กว้าเอา นรกสวรรค์ไม่มีบุญบาปไม่มีแต่เราคิดว่ามีปุ๊บเราก็ไม่ประมาทพอไม่ประมาทปุ๊บเราทําความดีเราก็สุขสุขสุขเลยใ น, ในชีวิตนี้แต่ถ้านรกสวรรค์มีบุญบาปมีเราก็ไม่กลัวเพราะถ้าเราทําความดีอยู่ชาติหน้าเราก็ได้รับผลดีคือคจะไม่กลัวแต่คนทําชั่วดีต้องกลัวเพราะว่าชาติหน้าเดี๋ยวต้องตกนรกต้องไป สู่ทุกปติแล้เราก็ต้องทาความดีไว้ก่อนแั้เราก็ต้องมีความเห็นถูกต้องความเหที่ถูกต้องได้เราก็ต้องมามาข้อที่สี่ก็คือคบคนดีคบคนดีสำคัญมากนะคบคนดีก็คือคบพระเจ้าคบพระอาหารครบนักปาาคบบัณฑิตพอคบปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ ดีศรัทธาเราก็ได้ฟังธรรมเราก็ได้ความรู้เข้าใจในชีวิตอย่างครูบาอาจารย์ที่หลุดพ้นแล้วถ้าเราอ่านหนังสือประวัติของท่านเนี่ยเราก็เกิดความเพียรอนุโมทนากับความลำบากของท่านที่ท่านแแบงห า, งงาบุกคธรรมบังคับยอมสละชีวิตเดินทถดงอยู่ป่าอยู่ดงผจญกระกเสือมั่งงูมั่ ง, ง, งอดอดอยากอยากไม่กลัวความตาย ไม่กลัวความยากลำบากอันนี้ก็ช่วยได้แถเแล้เกิดกำลังใจหรือหรือเราอ่านประวัติพระเจ้าเนี่ยพระูเจ้าเนี่ยพระองค์ยอมทิ้งราชสมบัติมาบำเพ็ญต่างบาเพ็ญทุกรียางต่างต้องหปีเพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตพระองค์ก็ไม่กลัวความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นฝนฝนหนาวร้อน หรือคากอดอยากต่างๆพระ อ, องค์ก็ผ่านมากว่าจะหลุดพ้นแล้วก็นํธรรมะที่พระ อ, องค์ค้นพบมาบอกพระอรหันต์ต่างๆเมื่อจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ผ่านความยากลำบากมาแล้วทั้งนั้นหือไม่ครูบาาจารย์ปัจจุบันที่มีอยู่ถ้าเราศรัทธาท่านได้ฟังธรรมจากท่านเราก็สามารถ มีความคิดที่ออกจากกองทุกได้ทําให้เราเข้าใจชีวิตรู้ความจริงของชีวิตฉันบัณฑิตจึงสิ่งเป็นสิ่งที่ควรครบครบคนดีครบบัณฑิตคนไม่ดีเนี่ยในบุขคดสูตรเนี่ยเขาไม่ให้ครบเลยอาสัยว่านาจะพาลนานังคือครบปุ๊บเนี่ยลากความชั่วตลอดสายบางคนต้องไปติดคุกติดตารางโดนลูกหลงก็มีท้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําผิดบางคนก็ยุ ยุยงส่งเสริมให้เราเนี่ยไปทางเสือ่อม น, นี่ห้ามครบติดขาดคือครบแล้วชีวิตก็ไหชนะพระจ้าให้คบบัณฑิตพอคบบัณฑิตปุ๊บก็ลากความดีไปตลอดสายเลยแล้วข้อข้อสุดท้ายก็คือสู่สถานที่ดีอย่าพวกญาติโยมอันตราก็ถือว่ามาสู่ถานที่ดีแล้วปีใหม่แทนที่เราจะไปเที่ยว ไปดูหนังฟังเพลงไปลื่นลมต่างๆผูย้ยมเขามาปฏิบัติธรรมมาถือศีลมาอยู่วัดอันนี้ถือว่ามาสถานที่ดีคือสถานที่ดีนี่หมายถึงว่าเรามาทำให้ได้พักผ่อนทางจิตวิญญาณคือให้ให้จิตวิญญาณเนี่ยได้รัมบความสงบบ้างเพราะว่าพวกคนเราเนี่ย มักจะหาความสุขขนานใส่จนร่างกายเนีพักผ่อนไม่พอแล้วก็นำความฟุงฟ้งซ่านมาให้ตลอดซึ่งคนที่มาวัดได้ต้องเป็นคนมีบุญเยอะนะเป็นคนมีบุญมีอุปนิสยัยมีความเห็นถูกต้องถึงมาได้รู้ว่ามาแล้วดีหรือไปที่ที่เป็นธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์อันนี้คือสถานที่ดีสถานที่ไม่ดีก็คือเป็นที่อาโครจร ตามสถามมา้าสถามมวยสถามบอลหรือพวกลงนวดบอนการพนานนะั่นนี่คือไม่ดีดังนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นที่ชุมุมของวายร้ายของคนพานแต่ถ้ามาวัดต่างๆนี่ก็เป็นที่ชุมนุมของบัณฑิตคือเราก็ต้องเลือกเอาอ่ะประตูวัดเปิดเสมอแต่ว่าประตูคุกปิดแต่คนก็ชอบเข้าคุกก็เยอะสังเกตนักโทษเยอะแยะเลย ทั้งที่ประตูคุกปิดเพราะคนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยจะไหลทางตับอยู่แล้วคือไม่ให้ขึ้นที่สูงถ้าขึ้นที่สูงก็คือปลาที่ว่ายถัวกระแสน้ําก็ต้องฝึกตนเองฝึกตนเองได้ก็ต้องคบคนดีได้รับขันที่แนจะจากครูบาอาจารย์ซึ่ง5ดีที่นำมาพูดเนี่ยคือพูดดีทําดีคบพูดดีทำดีคือคิดดีพูดดี ทำดีคบคนดีสูตรฐานที่ดีเนี่ยอันนี้เป็นมงคลมงคลละสูตรฉบับย่อซึ่งสามารถใช้ได้ถ้านามาใช้รับปีใหม่ชีวิตเราก็มีความสุขปีเก่าผ่านไปแล้วความทุกข์ต่างๆที่เราเคยสะสมไว้เราก็ต้องทิ้งต้องวางเรายึดไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้ เคยเกียดใครเคยอะไรไว้เราก็ต้องให้อาภายัยเอาหุ่นรรมต่อ ก, กันเราก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่ใหม่เพราะบางสิ่งเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ก็สามารถสร้างกรรมสร้างเวรทําให้ชีวิตเนี่ยไม่อยู่ความสุขได้ปีใหม่เราก็ต้องเริ่มต้นในชีวิตที่ใหม่ชีวิตที่การให้อาภายัยการทำความดีการวางใจให้ถูกต้อง ต่างติดเบาหน่อยก็แฮ่พายไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเพราะทุกคนมีกีเลสหมดบางครั้งเราคาดหวางเขาทำความดีเหมือนตั้งใจเราไม่ได้หรอกเพราะตัวเราเองยังบังคับตัวเราเองไม่ได้เลยทุกคนก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเที่เขาเป็นแต่เราแก้ได้คือแก้ให้ตัวเราเราไม่สามารถแก้ให้คนอื่นได้เลยแต่ตัวเราแก้ได้ตรงที่เราเลาวางใจแม่เราทุกเพราะคนอื่นเขาก็เป็นคนอื่น นอกเหนื อ, อาการแก้ไขของเราแ ต, แต่เราสามารถแก้ไขตัวเราเองได้พัฒนาตัวเราเองได้ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ทุกน้อยลงได้ในโลกธรรมนี้โลกธรรมก็คอือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีมีทุกมีสารเสริอมมีดินทาคือโลกธรรม ท, ที่เราต้องเผชิญอยู่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงโลกธรรมพ้นหรอกคนถูกไม่ถูกดินทาในโลกก็ไม่มี สุขบ้างทุกบ้างฆ่าเขากันไปเดี๋ยวก็มีลาบเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็สูญเสียเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศบูรเวียอยู่เงี้ยโลกธรรมไม่มีใครหนีพ้นมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้วขอท่องกอหรหลวงพรอพุทธทาได้ฟังกรหนึ่ง คือกรปีใหม่ปีใหม่ย่อมดีกว่าปีเก่าพืชมีเก้าครบปีทวีหัวทั้งขนาดและจำนวน ล, ล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยถด ด, ดีลดลงคือปีหน้าเร็วลงกว่าปีนี้ไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงรู้สึกตัวละชั่วก็เห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ย